อพระเจ้าอาวาสได้เงินมายังไงปัจจัยได้มายังไงอแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อว่านะถ้าจะตรวจสอบมันก็ต้องตรวจสอบหลายหลายคนเหมือนกันนะจะตรวจสอบในระดับไหนระดับสีไหนใครระดับสีไหนเป็นหัวหน้านะมันน่าจะตรวจสอบระดับหัวหน้าทุกหัวหน้านะ เป็นห่าเป็นผอโรงเรียนเป็นหัวหน้าวัดเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือว่าเป็นระดับไหนก็น่าจะตรวจสอบว่าสมัยก่อนเข้ามาทำงานเนี่ยมีเงินเท่าไหร่เดี๋ยวนี้มีเงินเท่าไหร่มันน่าจะตรวจสอบนะมีแต่จะตรวจสอบคนอื่น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 เขาจะบอกคนนี่หญิงคนนี่เร็วในชุมชนสังคมาจากนั้นเขาก็พอจับได้แล้วก็มามัดที่ต้นเสาต้นไม้จากนั้นก็เอาให้ชาวบ้านทั้งหลายทั้งปวงอมอวันผู้หญิงคนนี้แหละประจานแล้วก็ขว้างก้อนหินก้อนดินก้อนท่อนไม้วเวียงเข้าไปใส่จนตาย อ, าอันนี้ก็คื อ, อาการทำมันผิด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 เพราะหลวงตาก็จะทานในหลวงตาอย่างหลวงพ่อก็เหมือนกันจะตุปใจได้มาอะไรกฐินผ้าป่าจนไม่ได้สร้างเสนาสะเลยในช่วงนั้นพวกหลวงพ่อพูดอย่าง น, นพวกลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อที่นั่งอยู่ที่นี่นะก็มีหลายองค์อยู่ก็คงคงเห็นว่าวัดเราไม่ได้สร้างอะไรเลยแบบอยู่แบบคัดลัดเข็มขัดอย่างแน่นอีกต่างหากจะตุปัจที่ได้มาเอาถวายหลวงตา เพื่อซื้อทองคําเข้าคลงังหลวงเราไม่ได้ศรัทาใครเราไม่ได้ศรัทธารัฐบาลแต่เราศรัทธาหลวงตาหนะลวงตาเ ป, เป็นผู้นําเป็นว่าเป็นผู้ซื่อสัตย์เป็นผู้ทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองเป็นผู้ซื่อตรง เ, เป็นผู้มือสะอาดนะเราเชื่อนะในเชื่อในหลวงตาเนะพราะฉะนั้นเราไม่ได้เชื่อไม่ได้เชื่อรัฐบาลนะเราไม่ได้เชือเอนะเเ่อใครอื่นนะตลวงพ่อถามใครๆก็เหมือนกันเอ้ย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 ก็จะต้องได้ใช้แนวความคิดในไปในทางที่ถูกต้องที่ทางได้เป็นธรรมอย่างที่หลวงตามหาบัวพูดหลวงพ่อยังจาไม่ลืมท่านพูดมานานนะถ้าจะตรวจเราก็ตรวจได้ามาตรวจเลยเแต่ว่าก่อนที่จะตรวจนันะเราจะต้องทำความสงสัยนะใครที่จะมาตรวจจะมาตีต่อยตีเราเราให้เราเป็นเป้าคนเดียวเราไม่ได้ไม่เป็นธรรมเราจะต้องตรวจสอบคู่ทีมาตรวจสอบเราอีก มันจึงจะเป็นธรรมอะมันจึงจะถูกต้องอย่าได้มาอย่างไงตั้งแต่รับราชการมาเนะี่ยตั้งแต่เป็นหมอมาเนะี่ยเออตั้งแต่ทํางานมาเนะี่ยได้มาอย่างไงเงินก้อนนะี่เราก็จะชี้แจงเจ้าตัวปัจจัยเราไปชี้แจงได้อย่างไงคนมาถวายต่างกรรมต่างวาระเออหลวงพ่อเอออย่างหลวงพ่อก็เหมือนกันหลวงพ่อเกิดมาเนี่ยนะเออกินข้าวเจ้าบ้านตั้งแต่